มังหนูอนหาสมานนี้ได้เนดีดาได้ออกป่าไปแล้วว่าจะไปจะให้เสือวาจาใหญ่อู้ยว่าอย่างนี้มาเลี้ยงมาเลี้ยงพี่คนฟังคนหนึ่งพี่คนเบ่งให้ยู่เป็นจิวนี่เนี่ยมาเลี้ยงก็พูดว่ว่าท่านจะไปนั้นก็ไปเถิดแต่จนคิดระวังระวัยเกือจะมีอันตรายได้ อยได้ประมาทเลยควรอูปิวัตเป่นแผ่นกังทงับบางนี้ก็ควรอยู่ตัวเรากับควรเป่งจัดคุณหมานไดปสักห้าร้อยมีจากยี่สิบคนก็เพิ่มเป็นห้าร้อยเพืความไม่ประมาทแล้วก็สั่งควร เ, เป่นให้จัดแจงา 500. ถารห้าร้อยให้ลงเรือร์ลบสิกรัมให้ไปตอดคอยอยู่เดี๋ยวถ้าเห็นเราโบกโทรเมื่อใดให้คุณหมานเข้าไปช่วย กวนเต่งก็รับคำกวนอูผู้บิดาแล้วก็มาจัดเรือลพร้อมแล้วก็จัดแจงทหารคัดเลือกแต่รุ่นที่มีิฝีมือดีรูปร่างกำยำเข้มแข็งทุกประการพร้อมไว้500พร้อมด้วยเรือสิบลำทหารประจำเรือเนี่ยพ่รำระห้า50คนเตรียมพร้อมไว้ตามที่กวนอูสั่ง ถือมือของโลโซมีที่โลโซก็เลือกไปว่าอ่าเขาแท้ําสร้างกลิ่าจะกับทหารที่มีถ้อยคําคือเอ า, ากับผู้จาน้อยทีนีงอย่างนั้นอาจจะรักษาศีรษะตัวเองกลับมาไม่ได้เหมืนเป็นข้อหนึง่ขงข้อสองสำคัญก็คือการการนี้มันจะไม่สําเร็จแต่สิมีโรลกรู้จักใช้คน ความดรืแค่นี้นี่ถ้าเรามองให้แยงแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจอะไรดีๆขึ้นมากทีเดียวนะครับเอาละเจ้าสารนั้นพรุนิผู้รู้จักพูดจาว่าอย่างนี้เถอนะกลับมาละกลับมาถึงก็ขอไปรายงา น, นโลโซวะกวนอู ย, ยิงดีที่จะมาทุ่นี้โลโซกใ้ฟังแผนการของตนสำเร็จแล้วกวนอูจะมาตามคำลวงของตนเนี่ ก็ดีใจก็ปรึกษากับวิบังทีเดียวว่าอันควรอู น, นั้นมีฝีมือยิ่งนะและจะมาวันพรุ่งตามลักสือของเราเราะจะคิดอ่านประการใดอ่ะมันจะจับกวนอูนได้วิบังวิบั ง, บงก็จริงว่ากำเหล่งกับขบา้าวบะเจาะจะจับแดงทหารสุ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเนสองกอง ถ้าเห็นเอืนออูไม่มีทหารมาด้วยเราจะจัดทหารซุ่มไว้แต่ข้างในสักห้าสิบคนถ้าได้พีแวบจะช่วยกันจับวออูฆ่าเสียแต่ถ้าแม้ว่าเอออูมีทหารมาด้วยข้าพเจ้ากับกำหลิงได้ยินเสียงประทับเมื่อใดแล้วจะคุมฐานตีกระนาบเข้ามา เพื่อกันจับกวางอูฆ่าเพื่อให้ได้มีแผนการของริบองถาวาะกันนัง่งถ้ากวางอูมาคนเดียหรือว่าน้อยคนทหารสักห้าศิษยนี่ก็พอจับได้เขาคิดอย่างนั้นถ้ามาหลายคนก็จับเป็นกองทัพกันละโลโซกเดชฟางก็เห็นชอบด้ยวยแล้วเพราะนี่ก็เป็นแผนการของเต็มเหื่อครั้รุ่นเชาวก็จัดแปงตามที่คิดไว้ทีเดียวจัดแจงสุ่มทหารกล้าเกลื่อนการทั้งพวงไว้พร้อม แล้วใคถามไปคอยดูว่าเอือนูมาเนี่ยจะมีฐาน ม, มาด้วยไหมนอกจระการใบเพียงใบหรือไม่ยังไรนี่กระเภทมมาเร็ส่งไปคอยที่จะส่งข่าวํานม้ถึงก่อนล่ะให้รู้ก่อนทหารที่ส่งไปคอยเหตุนั้นก็กลับมาบอกโรโซว่าขบเจ้าหนนเอือนูเรือเร็วมาลําเดียวมีคนแกวมาด้วยประมาณยี่สิบคน แดงสำหรับตัวกวนอูและกวนอูนั้นแต่งตัวโอโทมใส่เสื้อแพรสีเม่วงพกแพรสีเขียวและที่สำคัญก็คือมิกไดใส่กราะเห็นแต่กิ่งชงนั้นแบกเงานั่งเคียงกวนอูอยู่และฐานผูน้มีที่มีนั้นก็มาด้วกวนอูนสักเจ็ดแปดคนเท่านั้น มีรายงานมาอย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยตามผิดมาเรียนทวนจริงแนะนําเขาไว้พวรรู้ด้สั่งควนเป็นจายฐานห้าร้อยกลีนไว้ถับบกโบกธงสัญญาเมื่อไรแล้วก็เข้าลุยกันเมื่อ น, นั้นล่ะแต่ก็ดูดิมาะแค่พอ่อเรียกเรืนี้มีฐานมาไม่รู้ไปเท่าไหร่เนี่ยพอซดเด็กสาวรายงานนี้ก็ออกไปรักวงอนอูเห็นตงื่นอูแต่งตัวมีสนาและทหารก็มาได้หลายคน โลโซกุิกให้คิดพร่ำดีทีเดียวเกรงว่าจะทำการไม่สำเร็จถึอการที่คิดจะฆ่าใครสักคนนี่มันไม่เช่เริ่องง่า ย, ายและโดยเฉพาะจะฆ่าทหารกล้ามีิมูงทรงพลังเช่นบังอวนหยินงานอุมิจานิโลโซพร่ำพึงทีเดียวแต่ก็พาอวนอูเข้ามาในค่ายถอยทีถอยค้ำมักกันแล้ว โลโซก็โคนกวนอูให้กินโต๊ะขณะที่กำลังกินโต๊ะเศษฟุราอยู่นั้นโลโซกเนี่ยขั้คร่ำไม่ได้เหยง่ยหน้าขึ้นดูกวนอูเลยให้แต่คนแค่รินฟุราให้กินกวนอู ก, กัเศษฟุราพรานรับพานอาหารไบพรานไม่ได้คิดยอดราอแต่ประการใดตูกจาถึงการรบพึ่ง กิจการ จ, จะกันคำสมคำสมคำของตัวให้ฝันและก็วเราะเล่นดิฉะนะันขั้โโเนเลยโกรกเลย่อยจำเวียนดูเห็นกวนอูใกล้จะเมาแล้วเนี่ยประเด็พูดกันทีเดียวว่าเราเรามีเนื้อความข้อหนึ่งที่จะขอเจราจาด้วยทันกวนอูโลโลก็ถามว่าทัานจะว่าสิ่งได้ละ่โลโปปะโกรกว่าขึ้นแต่เดินสิ้วน ให้เราทวงเมืองเกงจิ๋ถึงสองครั้งสามครั้งเปล่าปีก็ยังขัดสนอยู่ว่าจะยืนเมืองเกงจี๋ไว้เป็นที่อาศัยก่อนพอได้เมืองเสฉวนแล้วจะคืนเมืองเกงจิ๋ให้อันเนีความทันเนี้เราก็ได้เป็นประกันไว้ต่อขึ้นกลวนด้วยแล้วมาแบบนี้รอบปีก็ได้เงินเสฉวนแล้วซึ่งจะหวงเมืองเกงจิ๋ไว้เัินก็ไม่ควรนี่โลตอ ค่คกล่าวดังนี้วดูก็ตอบว่านี่ท่านให้มีหนังสือเชิญให้เรามากินฟอกเล่งเนี่ยและน้ำ บ, บัตนี้ก็อยู่ตอนหน้าข้าวหน้าเหล้าอย่างนี้คือตอนหน้าข้าวหน้าเหล้านะตอนหน้าขาวมักกับข้าวอาหารนี่ซึ่งท่านจะเอาการบ้านการเมืองมาว่าจะนี่ไม่ควรเป็นนิ่งเช่นก่อนเถอะ คนอูใช้วิธีการแอบางนักเรียุราบานทั้งหลายอ่านกันตั้งแต่สมัยรุ่นจนาบาสมัยนี้เขาก็อ่านอย่างนี้ ตอนหน้าเล่าตอนหน้าข่าวนี่นีม่มาพูดเรื่องนี้ไม่ควรเพราะทุ ก, ก็จริงว่ามายเราเป็นเจ้าเมืองกลางตังผมคิดจะแผ่แดนเมืองออกไปให้กว้างขวางแต่มีน้ํำใจเอ็นดูท่านกับเล่าปีขึ้นหนีโจโฉมาจึงให้ยีเมียนเกินจิวอยู่จนที่อาศัยแบบนี้เล่าปี ก็คิดถึงไมตรีมาเรากินเงินสือมาให้กวนอูนท่านคืนเงินสามตำบล น, นั้นให้มาเราก่อนถึงกวนอูนอนท่านขัดขวางเลยนั้นเห็นไม่สมควร น, นี่โลโซกคือเป็นการกล่าวทวงบุญทวงคุณอย่างเรียบร้อยกล่าวเพียงน้อยน้อยเราตีคนเรื่องไหมลที่อยู่นี่ ใครเมืองได้ใครอยู่โกนูก็ตอบวาเมื่อครั้งที่โจโวยยกมาจะปีเมืองกังตังนั้นรอบปีพี่เราก็ได้เกณฑ์ถักแม่ทหารยกไปสกัดรบโจโฉเป็นหลายตําบลทหารทั้งปืนก็ได้สู้เกาทันด้อาวุธต่างๆบางคนก็ได้รับความลาบากยากแค้นกันมาทุกคนแล้วรอบปีพี่เราก็ได้เสียสเบียงเลี้ยงอาหารไปเป็นอันมาก ก็แต่เมืงเกงจิวเพียงเท่านี้หาควรที่จะเป็นบำเน็จแต่รอบปีและทหารที่เห็จเราทำศึกไม่อย่างนั้นรือซึ่งจำจะมาทวนเอาเมืองเกงเ ก, งเกิ๋วคืนแค่นี้ก็ไม่ควรนี่กวนก็อ่านเหมือนกันโรฟุก็พิมพ์วครั้งครั้งรอบปีกับท่นแตกมาแต่ทุ่งเตียงปันโปว่านายเราคิดสงสารทีร่ไม่อยู่เมืองเกงจิ๋วว่าจนกว่าจะตั้งตัวได้ อันเล่าปีหรืก็เป็นคนมีความสัตย์ไม่ออกปากสิงใดแล้วก็ไม่ได้เสียวาจาแต่ตัวขึ้นมาว่ากล่าวทั้งนี้คนทั้งปวงจะเรื่องตีเตียงได้โลโซก็อ่านทันบ้านคุณธรรมวาจาฝรัพไม่เสียสัตอะไรหรอกนี้ยเงือกูก็ตอบว่าอันการทั้งนี้ใค่ว่าจะฝึกขาดอยู่กับเราในหานี้ได้ดม่เป็นการของเล่าปีปารามแต่จะว่ากันเถอะ อ้วนอุนผลักไปลู่ผลักไปเสีเยชวนล่ะโลโซก็จรว่าเราเราก็รู้อยู่ว่าท่านกับเราปีนได้สามานย์กันไว้เป็นพี่เป็นน้องดังรื่ออุทธรกันแม้จะมีการสิ่งใดมาที่เป็นของเราปีการสิ่งนั้นก็เหมือนหนึ่งเป็นของท่านภุระสิ่งใดของท่านก็เหมือนภุระของเราปีเหตุใดอ่ะอ้วนอุท่านมาบิดเพลียวดังเนี้ย กวนอูอก็ยังไม่ตอประการใดพิวชองปิวชองาหารของกวนอูก็ร้องขึ้นทีเดียวละ ว, ว่าวเมืองทั้งตัวเนี่ยเป็นของพระเจ้าเฮียนเป่เหตุใดอะโลกซกินมาว่าเมืองเก่งจีวเป็นของขุ น, วนัวนเรามีปิวชองผู้ขึ้นมาอย่างนี้และเรกว่าทั้งการป้องขึ้นมากวนอูในตอนนี้นก็ทาเป็นโกรธทีเดียวทเป็นโกรธเป็นูปออกมา ให้ไม่กับจิงฉเป็นสําคัญเถือให้นัสัญญาแต่เด็ดสาคัญแล้วพูดว่าเนีตยกทำใหกรธแล้ก็ทงกกิงเอาเงาวมาถือว่าแต่ว่าให้สัญญากับจิงฉไปแล้วนะแล้วก็แกล้งพูดว่าเรากับโลโซเนี่ยก็มาพูดจาว่ากล่าวกับในการบ้านการเมืองอสําคัญไอ้ตัวเจ้าเนี่เป็นแต่ทาหารถือเงาวของเรามาอย่างนี้เหตุใดตัวจรงรุ่นเข้ามาเจราจาความนี่เลยไม่ควรเลย จึงเร่งอรกทียจะคายซะนัน่นแหละเกวลูแก้งร่ยจิวชอไปอย่างั้นทเป็นโกรธแต่ให้มัดสัญญา ก, กับจิวชอไว้ละจิวชองนี่รู้ดีที่เกวลูก็ออกมาแลวก็ทงแบ่งอันเป็นทงประจาตัวเกวลูนนเนี่ยโบขึ้นเป็นสาคัญฝ่ายเกวล์เต็งพร้อมทหารห้าร้อยเห็นทงสัญญาเน่ยก็ขับทหาไม่แก้วเรือรถทั้งสิบความรีเขับมาใกล้จนหน้าคาย ข้างกวูก็แก้งทาเป็นเมาแกล้ ง, ง้าาในมือหมุนควางทีเดียวละ่ะมือหนึ่งก็ยุดมีโลโเขาวไว้กวนอูนี่ทหารร่างใหญ่มือหนึ่งจับมีโลโซขา ว, วอีกมือนึงก็ควงเงาวกวัดแวล้งว่เมาล่ะและ้วก็พูดล่ะท่นเรียกหาให้มากินโต๊ะเนี่ยก็ขอบใจแล้วได้เหตุใดอ่ะเอาการเมืองกินขี้ว่าเดือดร้อน บัตเนี้ยเราก็เมาสุราใช่แล้วทำไมไม่คิดถึงว่าเคยรักกันมาแต่ก่อนก็จะขัดขืนใจกันสักเปล่าเเราที่มีสารนับโทษสักวัดเราจะ้าท่านไปก่อนพอนวันอื่นเราจะเชิญท่านไปกินเต๊ะที่เมืงเก็งจิงวบ้างนีุู่ดูแทงทาเป็นเมาจากขอมืโขขมมอโลโกัวัดแต่นี่แหละย่อมเป็นที่รู้กันอยู่ทหารทุกผูที่ซุมอยู่นั้น ไม่ยอมเห็นสิถ้าตนทำอะไรออกไปอ่ะมีหรือจะทวนจะนาวนาวนาวมี ล, าาาา ม, ลามาคาที่อยู่ในมือของอว น, นอืนะจะไม่ฟาฉักลงมาอย่างง่ายๆพี่ร่างของโลโสกได้อ่ะคดูกระทานี่ทำเป็นเม้าทกนจนขอบโลโกออกมาบอกไปยันนอกค่ะวิลมองําเหลนสิคนณัานซึม อ, อยู่นะ เห็นควนอูถืองเงาวควรเงาวควางมาเทานั้นอีกมือหนึ่งก็จูนข้มือโลโซกออกมาด้วยเนี่ยตนจะหักหานทําประการใดอย่างไรตามสัญญาที่ว่าไว้ก็เกรงว่าควนอูจะฆ่าโลโซกซะโดยง่ายโลโซกจะตายซะก่อนที่ควนอูจะไปยท่านสองทหารไม่กล้าทําอะไรควนอูครั้นพาโลโซกมาถึงอินตริก็พูดว่าเราขอบใจท่านนะ ให้ท่านคอยดย้วยจนดีเถอะอนอู่อว่าดังนี้แล้วก็ปล่อยมือโลซกแล้วก็ลงเรือให้ฐานชักมบเรือแร่นกลับไปเมืองเกลงจิวโลซกก็กลับขึ้นมายังค่ายแล้วก็เรียกหารกำเวย น, นี้มองก็มาปรึกษาว่าเราคิดอ่านจะทำร้ายอุนอูก็ไม่สมความคิดอีกเราจะทำประการใดดีเล่า ลิบบังก็กินวาท่านก็จงแต่งหงังสือไปบอกสุ่นกวนเถอะว่าสิ่งจะทําร้ายกวนอู น, นั้นนไม่สมความคิดคอยจักแจงทหารยกเป็นกองทัพไปตีมึงเก่งกิ๋วเถอะส่วนการข้ามทางปากน้ำนำท่านก็จงรักษาวัดโลดสก็เห็นชอบด้วยก็ต้องปราวันที่แรกแล้วกับสุ่นกวนนะ่ะผ่าแผนนี้เมื่อเมื่อก่อนยกทัพไปตีเอาไวแล้วกันเนี่ย เดยโฟกัสแต่มีอถือตามคำีบิบองว่าและและคอยท ห, หารถือไปให้แกสุ่มกลนข้าสสุ่มกวน ติแใจความในมันสีของความไม่สําเร็จดบงนั้นนะทุโกโรกรธก็เกตัดแกง ก, กงากเกณฑ์ฐานสิ้นทั้ง เ, งงเมเเืองกางแตงเลยจากทหารหมดเมืองกางแตงเลยเตรียมไว้จะยกทัพไปตีเมืองเกงจิวกันหลกในครั้งนี้และก็ที่ว่าเกงจิวยังจะไม่กระทบกระทือนอิสงครามจากกลางแตง จึงให้พอดีกับที่มาใช้ข่างรืเมืองฝ่าเนื้อมาแจ้งขอาราจการว่าบาัตรนี้โจโฉเกณฑ์ทหารได้30ามสิบหมนมท่านโจมิงเตะกับเกณฑ์ทหารแต่ะละครันแต่ะละทีนี่ไม่ใช่น้อยเลย30มสิบหมืน่นจะยกลงมาตีเอาเมนต่างๆ คุณกวนได้แจงนี่ก็ตกใจเกลียมทับจะไป ย, ย, ย่ายีเกงกิ้วแต่บัดนี้ข่าวสึบ ด, ดันพอโจรมิงเต้โฉเขาเกมมานี่สามสิบืนน่นี่ฟังแล้วมันเพลียเลยกวนอูก็จึงได้แต่นังสีอบอกข้ อ, อตัดการฝ่ายเหนือไปถึงโลศกว่าเราจำเป็นจะต้องยกทัพไปตั้งรับกองทัพโจโฉนตนตำบลหักวี ให้โลโกตั้งรักษาปากน้ำเมืองเราไว้ให้มันคงแล้วถ่งกวลวค่อยฐานยกไปขัดตาทับอยู่ในตำบลยี่สูกนัวนั้นยกกองทับไปตั้งมั่นอยู่ในตำบลหัก ว, วิหวังที่จะตั้งรับกองทักโจโฉแห่งฮูโต มันจะกลายเป็นศึกใหญ่ขึ้นละแต่ก็เป็นปกติอยู่ของโกกทางสามเนี่ยมันก็ตั้งเป็นข้าคานสามเศ้ากันอยู่นเช่นนี้เจโฉนะ่ะก็ถือว่าคนเป็นขุนนางขนาราชการในพระบาทสมเด็จอยู่หัวองค์จักรพรรดินี่ก็จะต้องรวบรวมแผ่นดินทั้งปวงเข้ามาเป็นอันนอันเดียวก็ไม่เิดได้ และที่สาคัญอยู่ก็สองโกกเนี่ยเมืองเมืองใดกะไรก็ไม่สาคัญหนักหนามีเป็นหนามแยกอกแทงใจแกระไรนักร็อกนอกจากฝุมกลัวหนึ่งการสังและบัดนี้เหล่าปีก็จงเรียกว่าเหล่าปีแห่งเสฉวนเนี่ยจเจ้าเถิดรา่งอรุณถ้าแก้ทหารแล้วก็เด็ยกยกกองทัพ อ, ออกจากเมืองหลวงก็อพอดีโตห้างได้เอามือเข้ามาให้ โจโฉเราไม่ซมาอ่านดูนี่น้นสื่นั้นเป็นใจความว่าข้าบเจ้าโปหั่นขอขมับเตือนมายังท่านวีโก่ให้แจงคือตอนนี้โจโฉก็มีตําแหน่งเป็นวีโก่วีโกลมนีเป็นตําแหน่งอาธิยิ่งใหญ่ที่สุดละขอขมับเตือนท่านวีโก่ให้แจงเด็กคําโบราณกล่าวไว้ว่า ฝ่ายทหารทีื่จะเป็นแม่ทัพแม่กองแน้จะยกไปทำการสงครามแห่งใดตำบลใดให้บำรุงทักระแวกทหารและครื่องปัดราวุธให้พร้อมเป็นสง่าแล้วกินจะยกไปเป็นธรรมดาฝ่ายพลเรือนเล่าฝให้มีน้ำใจอบป้อมอารีแกณาประธานรัชดรให้อยู่เย็นเป็นสุข แล้วทะลุบำรุงบ้านเมือนไว้ให้เป็นสงงานาเพื่เนื้อความสองประการนี้ผู้ใดทําได้จึงจะคิดอ่านตั้งตัวเป็นใหญ่ได้อันหัวหมุนทั้งตวงซึ่งเป็นเจลา จ, จนอยู่นั้นท่านก็ปราบรามได้ถึง9ส่วนแล้วยังแต่ส่วนเดียวคือเมืองกลางต่งกับเสฉวนอันเมืการตังนั้นทานกันบาลด้วยเป็นชายทะเล กนรเมืองเสชวนนันทางลำบากด้วยเป็นศอกะหวยเงินเขาเป็นอันมากซึ่งท่านจะยกไปตีเมืองกัาสตํางครั้งนี้เห็นท่าแกลทหารจะได้รับความลำบากนะขอให้งดอยู่บำรุงทหารให้มีกำลังเสียก่อนแล้วจึงค่อยยกไปก็จะมีชัยชนะโดยง่ายนี่โตหันมีนังสือเข้ามาเป็นความอย่างนี้โจโฉ พระเด็กแจ่งในหนสือนี่แล้วพราะั่ให้นวดกองทัพไว้และก็คิดอ่านจะทำการตามหนังสือของโตหันอาคือก็ต้องตั้งใจทนลุบำรุงตะแกรงทหารจัดการเครื่องปากลาอาวุธต่างๆนั้นมาให้พร้อมและเอาและผู้ใดมีสติปัญญาผู้ใดมีทิ่มีรบพุ่งหันกลา้าก็ให้เอาตัวมาทะุบำรุงเรียนไว้ขณะนั้นอฟาน โตสิวีไคโอจัสีคนนี้ปรึกษาเห็นพร้อมกันก็เข้ามาว่าแกโจโฉว่าท่านมีสติปัญญาพนลุบํารุบ้านเมืเองปราบปรามข่าศึกกรูก็ราบขาบแล้วควรแก่เลื่อนที่เป็นเจ้ารเรียกว่าเป็นเจ้ามีอ๋อมีตอนนี้โจโฉก็เป็นใหญ่ขึ้นมาเป็น วีโง่แล้วนะวีโง่แล้วหรือว่าคุณมาตาแหน่งใหญ่ละถ้าจะว่าไปก็จต่เทียบเท่าสมเด็จเจ้าพระยาแต่ตรง น, นี้ให้เป็นเจ้าไปเลยทีเดียวเป็นวีอ๋องเลยเทียบเท่าตาแหน่งเจ้าปางกรมเหมนือนี่ทั้งสื่ท่านนี่เข้ามากราบเรียนแบเนี้ควรจะเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าปางกรม โจโฉก็ยัไม่ทันต่อประการใดซุนฮิอีกแหละซุนฮิวบนงทีซุนฮินี่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อโจโฉเด็ดแท้จริงแต่นั่นแหละการกระทําบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปขาดขวางกับความบูงมาปาราตนาันยิ่งใหญ่ที่มีแฝงมีซ่อนมีเร้น อ, อยู่ใ น, ในใจของโจโฉอยู่เนี่ยครั้งก่อนก็ทีละซุนฮิวก็ขาดขวางทีนึ่งแล้ว เรื่องการที่จะยกย่องขึ้นเป็นวีโกงเน่ยแต่มาแบบ น, นี้เขาจะยกย่องขึ้นเลยเป็นวีองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เข้ามาคํานับโจโฉแล้วก็พูดว่าทุกวันนี้ท่านก็เด็ดเป็นที่วีโกงก็เป็นใหญ่กว่าคุณนางทั้งปวในแผ่นดินแล้วประการสิ่งใดก็สิ้ขาดอยู่ในท่านทั้งสิ้นถึ่งคุณนางทั้งฝีนั้น จะมาให้ท่านเลื่อนที่ขึ้นเป็นวอองนั้นไม่ควรนี่สุนหิเข้ามาพูดจาดังนี้โจโฉได้ฟังสุนหิ ว, ว่าดังนั้นก็โกรธนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนทั้งหลายอยู่ยอมท่านท่านยอมปราถนาที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอะไรใหญ่กว่าใหญ่นั้นได้อีกหรอท่านได้ทนนี้แล้วเนี่ย จะว่าเปลียนพอรายการใดอย่างไรเอว่ากันไปถ้าสนเรื่องใหญ่ขึ้นไปได้กว่านี้อีกนะท่านก็ย่อมปราถนาละ่ะมีโกงมันก็ใหญ่แล้วแต่วีอ๋องมันจะใหญ่กวีโกนอีกนิดเจ้าโฉนะยอมปราถนาอยู่เดิแท้แต่เมื่อคุณมจะเข้ามากล่าบท่วนติ้งด้วยความหวังดีจงรักภักดีเพียงใดยนไรก็ตามเถอะแต่มันก็ขัดกับกิเลสในใจของ โจเมงเต้เป็นยิ่งนะก็โกรธทีเดียวหนิโกรธอะไรจะโกรธได้มากเท่ากับว่ามาขัดใจอย่างนี้ขัดใจเรื่องอื่นเรื่องใดนะก็ไม่ทรายร็อกจะเรื่นยกฐาบรรดาศักดิ์ที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปนี่สิและเป็นครั้งที่สองด้วยอะ่ะโจโฉก็ถึงว่าท่านมาว่า ด, ดังนี้เห็นจะเหมือนซุนหกสลกรรมหน่แต่ก่อนนั้นซุนหก อีกคนนก็จบสิ้นชีวิตลงไปด้วยการมาขัดขวาง น, นี่แหละแต่ครั้งครั้งครั้งแรกนั้นเลยทีเดียวซุนยิวเห็นโจโกโกรธจนกล่าวออกมาเช่นนี้คุนยิวก็จึงไม่ได้ว่ากล่าวประการใดอย่างไรต่อไปเลยธรนับราออกมาบ้างกลับมาบ้างและซุนฮิวก็มีความทุกทุก ใจระน้อยใจเป็นอันมากเนี่ยด้วยความตั้งใจดีปราถนาดีเป็นที่ยิ่งแต่ไปกล่าวคัดค้านพัดพาเขาขึ้นชะนิ้ได้ได้รับคำตอบมาแต่เป็นสั้นๆนะเพียงว่าท่านว่ามาดัางนี้เห็นจะเหมือนซุนหกเซกรมังเนี่ยมันดุดดังห อ, อกคมกล้าแทมผิดแทงก็ไปสู จุดสํำคัญในร่างกายจนกระทั่งบอกทำระกดมใจเป็นที่ยิง่งฟุนฮิวซุนฮิวที่มีสติปัญญาและมีความจงรับภดีติจโจโฉเป็นที่ยิ่งนั้นก็กล่อมใจจนถึงแก่ความตายไปโจโฉได้แข่งวับซุนฮิวถึงแก่ความตายก็สงสารกก็จึงให้ทรัพย์สินของไปแต่งการศบและเอาศพไปฝังตามตาหนิน แล้วอันการที่จะเลื่อนที่ต้นขึ้นเป็นเ จ, า N, จา้าวีอ๋องเจ้าปางกรมนะรกรมันอะโจโฉก็เปลี่ยนนิ จะไปยำ่ำเก่งจิงก็ยังไม่กลา้าเดทันเจ้าหนุ่มเฉยโขหูเตี่ก็หำหำยุบใหๆๆๆอุญกนหยุดน่เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้มแข็งพอๆกันเนี่ยก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็แปลว่าเหตุการณ์อี่เฉยเดี๋ยก่อนโจ้าโฉดอยากจะเป็นพนีอ๋แต่ก็ยังไม่ได้เป็นมันก็เฉยเดี๋ยก่อนและววันหนึ่ง มีกล่าวทั้งฝ่ายในบ้านทางนืงหู้มโตบังโจโฉเนี่ยถือกระบี่เข้าไปถึงที่ข่างในเอ่อคือถือที่ข้างในนะที่ข่างในในที่นี้หมายความว่าเป็นที่ส่วนพระองค์เป็นที่ภายในอันระหโหฐานเอ่อขององค์จักรพรรดิฮีน เ, นเตนะนะมันเกินกว่าเหตุแ้วะถูกต้องพระเจ้า เ, เฮนเตอนุ ญ, ญาตให้เข้าเฝ้า เฉพาะที่ฝ่่าจะต้องเรียกว่าพบารหรือสภาประชุมคุ้นนันแข่นั้นตีแต่ น, นี่เจ้าเมงเตกระทำอย่างนี้เพื่อเจ้าเิ็นเตแล้วก็ประมาณหกเฮาผู้เป็นพระมเหสีเนี่ยก็ตกใจโจโฉก็ถล่ว่าบัดนี้ขึ่นควรจะเมืงการสันกับเล่าปีก็ได้เป็นเจ้าเมืองเสฉวนสองเมืองเนี่กล้าแข็นนี่จมาอ่อนน้อมตามประเพณี โจโฉว่าอย่างนี้พระเจ้าเวินเตกอเตรัสตอบว่าการทั้งนี้เนี่ยท่านจะต้องมาบอกเราใหญ่เราจะทําสิ่งใดก็สุดแต่วีโกงเถอะพระเจ้วินเต๋อตรัสดังนี้อาจจะว่ากราด้วยดีหรือว่จะว่าเด็กโกรธหรืว่าอย่างไรก็ตามโจโฉได้ฟังก็กโกรธทีเดียวลพจิงว่าเพลิงตรัสดังนี้เหมือนที่คนนั่งพวงกรณานินทาข้าวเจา้า โจโฉว่าดังนี้ม่เป็นคำตอบของโจโฉเวื่วววองเรื่องปราดังนี้มีแจะคนรุ่งโรจนาขรรคพาขบะเจัาความจริงนั้นโจโฉก็พูดไม่ผิดคือถ้าทำการไดออกไปโดยพระตามที่้นสั่งให้ทั้งมันก็จะกลายเป็นว่ากระทำการตามอำเภอใจอีก องคกระสับกระสิรักรรจะกระพัดติตังและเป็นใหญ่เนี่ยนีไ่ได้สั่งการให้กระทําแต่ถ้าเมทําลงไปเนี่ยก็จะถูกขราเนินผ่านแต่เป็นความจริงอยู่ที่เจโ้าโฉพูดเนี่พระเจ้าเวนเตก็กล่าวว่าแ ต, ต่เมน่อท่านปวงนี้เมื่อท่านจะช่วยธนูบํารุงแผ่นดินของเราก็จบแล้วแต่ท่านถ้าท่านจะคิดอ่านทําประการใดเราหรือจะขัดได้ พระเจ้าเห็นเปรตกรา ด, ดังนี้อีกนะโจโฉได้ฟังก็ยิ่งโกรธนี่เป็นคำมาปราบตามธรรมเนียถ้าเราจะคิดทันด้านโจโฉบ้างไหมครับอันนี้ก็จะได้เห็นว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยไม่รับผิดรับชอบไม่สั่งการได้ไม่ทำอย่างไรอ่ะเจะาว่าอย่างนั้นออและโจโฉทิดถูก มีกระทบอย่างหนักก็คือว่าจะทําการตามอําเภอใจมีแต่แอบอ้างรับฟังรัร่วปลอมรับฟังเขียนรับฟังเองมีเป็นสิ่งที่เต้าโฉผู้กรูกร๊กระนำอย่างหนักอยู่ด้วยกันอมเฮี้นเต๋ออมเฮนเต๋ีแหลพอที่จะรับรูร้รับผิดรับชอบทางการทางงานใดๆด้ว ย, ยตัวเองได้บังเลยเนี่ยนี่เกิดทาเลยนี่ถ้ามองอย่างมีประการ รู้จะมองอีก น, น้าหนึงว่าพระเจ้าเห็นเตนเนี่ยทรไว้วางพระทัยโจโฉทำการหนึ่งการใดก็ได้ทําได้เถอะแต่มันก็ไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะยังไงก็ตามโจโฉก็โกรธนี่เด็กํารับราตามทํานี้กลับไปยังที่อยู่ <_ S 1> เหตุการณ์ทึงเท่านี้นะก็คงจะพอวิกะไรรอกแต่บรรดาทั้งทีท่านป่นนี่สิ มีผู้ไกล้คิดพวกเรานี้นี่สิเห็นโจโฉกลับไปแล้วก็ชวนกันก็มากราบพุทธเจดีเตะทีดเดียวว่าข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าโจโฉนั้นคิดอ่านจะเลื่อนที่ขึ้นเป็นเจ้าวีอ๋องนานไปข้าพเจ้าเห็นว่าโจโฉนี้จะต้งเป็นขบถ ท, ที่เอาราชสมบัติเป็นมั่นคง มีบรรดาผู้ใกล้คิดราวนี้มีสิพกเพะเจ้าหเห็นเปกับนางฮกหนาวเด็ปันกระส่งกระเป็นแสงแล้วก็พากันสเสด็จกลับไปข้างในเพื่อนางฮกหนาวก็กระทูลว่ะฮกอ้วนบิดาขาบเจ้าะเห็นโจโฉก็ทําหยากช้าก็มีใจเจ็บแค้นคิดดูว่าจะฆ่าโจโฉไมให้ได้ขบเจ้าจะให้หนัสีอออกไปถึงบิดาขาบเจ้า ขบดาข้เจ้าเร่งคิดอ่านกำจกัดโจโฉเสียให้ได้พระเจ้าเห็นเต๋ก็จึงกร่าวว่าสึ่เจ้าจะให้นังสือไปถึงหกเล่อนนั้นนะ่ะเราเกรงอยู่ว่าจะเหมือนเมื่อครั้งเราเขียนอักษรดินนโลหิตให้ไปถึงตังสินและตังสินก็กระทำการนี้ไม่นิดคิดโจโฉจับได้ก็ฆ่าเสียกับพวกเพื่อนเป็นหลายคน ครั้งนั้นก็เป็นมาแล้วแต่มานาบัตินี้ก็จะทําการชะนี้อีกเพื่อจะไม่เป็นความรับเ ร, เรากับเจ้าก็จะพากันตายเสียในวกเขาพุทุมพระองค์กับข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อุปมาเหมือนอยู่ในวางควาดน้าหาความสบายนี้ได้แม้เดชบุญของพระองค์กับข้าพเจ้า ก็จะคิดได่ตลอดการนี้คงจะสาเร็จแต่ถ้าการรมจำเพาะมาถึงแล้วก็ตายก็ดีกว่าอยู่ข้าพเจ้าเห็นว่าบอกสุ่มขันธีนั้นมีใจสัตว์สื่อพอไว้ใจได้จะให้ถุนสืนได้ก บ, บิดาข้าพเจ้าเพระมางหกหาวคิดดังนี้แต่ะทำเช่นนี้พระเจ้าเยนเ็นเตร ยาววกรสะสักต้องเรียกว่ายาวเกรสะสั์แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นยาววอะไรหรอกพระตัเวเร็ยนเตเนี่เอชอบเดือดก็เรียกหาบอกสุนขันธีเข้ามาทีเดียวแล้วก็ทรงพระกรังแสงกราบร่าเนื้อความเห้ฟังว่าโจโฉกระทำหยาบช้าจนบัรเนี้ยได้เป็นวีกลงแล้วแต่ก็ยังมีใจกระเบิดโสดสารจะร่วนที่ขึ้นเป็นจ้า ว, วอีอ๋อ ถึงจะคิดกระบดจริงราชสมบัติของเราตัวเรากับนางหกเฮาได้รับความทุกข์ร้อนดังนอนอยู่ระ ว, วังกองเพลงิงมีเดินผู้ใดที่จะช่วยดับร้อนได้เอ็มอยู่ก็แต่ท่านผู้เดียวพอที่จะไว้ความรับได้เราจะให้ถือหนังสือรอบไปให้แก่หกอ้วนผู้เป็นบิดาของนางหกเฮาให้ช่วยกันคิด อ่านกำจัโจโฉเส้ยบอกสุนขันทีเด็กฟังดังนั้นก็ร้องไห้แล้วก็กราบทูนว่าข้าพเจะดอยู่เป็นสุกมาก็เพราะบุญของพระองค์ข้าพเจ้จะขอเอาชีวิตเป็นแบนทดแทนพระคุณอ า, าสาถือหนังสืงสอไปเ อ, นนองขอพรงจงรีบทรงพระอักษรเถินางหกหาวก็เขียนหนังสือตามเรื่องราว ว่าเป็นความทุกข์ของตนพรมาแล้วก็ข่าวนิทสงให้แกบอกสื่อบอกสืก็รับหนังสือมาซ่อนไว้หนึ่งใส่ไว้นหนมวยผมซ่อนไว้นหน่มวยผมของตนแล้วก็ถวายบางควมาพอออกมาต็ตรงไปยันบ้านฮกอวนเอาหนังสือนัอน้ น, น, นออกส่งให้แกฮกอวนแล้วก็บอกเนื้อความให้ทาทุกประการ ลายมือของนางฮกเฮาบุตรีเป็นมาเหตุสีเหมาะความทุกมาทุกประการชนิ้ความเห็นแต่บีดาทเท่านั้นจะช่วยคิดอ่านเป็นการรับกำจกัดโจโฉเสียแผ่นดินจึงจะเป็นสุขสุดปะฮกอ้นเด็กแก่ในสุดดันั้นก็จริงว่าทุกวันนี้โจโฉก็ทำการใหญ่หลวง อีกทั้งหูตาก็คอยที่จะซับซาบระวังเอกการต่างๆก็มีมากซึ่งจะคิดการเบาวนนั้นเห็นจะไม่สาเร็จแม้หนังสุรับนี้ไปถึงเอาปีกับสุ้นกวนให้ยกกองทัพมาทำการข้างนอกโจโฉก็จะยกออกไปต้านผ่านแล้วเราก็จะจัดผู้มีความคิดฝักสืนต่อแผนดินทัา น, นทำการเป็นไส้สุดอยู่ในเมืองนี้แหละ การจริงจะสำเร็จฮกอ้กนให้ความทิ่เด็นที่มีกับบอกสุ่นขั้นทีผู้ถือหนงสือบอกสุ่นก็เห็นชอบด้วยฮกอ้วนก็แต่งหนังสือสองฉบับที่จะส่งให้แก่ล่าปีละสุ่งกวนและก็เขียนหนัสือบอกเรื่องราทั้งคู่เนี่ฝากไปถึงกระนางฮกเอาใหมเอสีให้ทูลแกพระเจ้าเห็นเตยอีกฉมับนิแล้วก็ข่าวประดิษส่งไห้แกบอกสุ่น บอกสุ่นก็รับเอาในสู น, นั้นมาแล้วก็ส่อนใส่ไว้ในมวยผมนี่แหละแล้วก็ราจะกลับเข้าไปในวังบอกสุ่นผู้เดินสารฉบับสำคัญกำลังจะกลับเข้าไปในวังในขณะนั้นหญิงชื่อโจโฉ เด็กส่งเข้าไปให้อยู่ยังที่ต่างๆซึ่งทีนี้ฮกอวนเองก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าหุ่นตาโจโฉนี่มากมายเนี่ยหญิงที่มาอยู่ในที่เนี้คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ ต, ต่างๆมาประกานเนี่ยก็รู้ความอันนี้เข้ามีหญิงผู้รู้ความมีเขา้าเนี่ยก็ก็ความไปบอกกับโจโฉโจโฉก็พาฐานทีมาสกัด บอกสุ้นที่ประตูวันนี่ขณะที่บอกสุ่นออกไปบ้านพบวนเนี่หญิงคนนึ่งถึงเป็นคนของโจโฉเองเนี่ยขาไปบอกโจโฉแล้วเนี่ยโจโฉได้สกัดอยู่อย่างนี้ครั้งนี้บอกสุ่นกลับมาโจโฉก็ถามทีเดียวว่าไปไหนมาบอกสุ่นก็ตอบอ่นแมงวัวข้าวปวให้ข้าราชาไปหาหมอโจโฉก็ถามว่ะเล้นไหนก็หมอ บอกนก็แก่ว่าหมอจะตามมาภายหลังโจโฉนั่นก็จริงว่าตัวนี้มีพิรุษอยู่ก็าสายฐานถอเชื่อบอกขึ้นออกดูคือคนตัวละก็ม่เห็นสิ่งสาคัญประการใดอย่างไรก็ปล่อยบอกชึนคไม่มีหลักฐานอันนี้เกิกรล่าวลงไปอีกนิด่ทุกครั้งมาเราสําเกตุโจโฉก็ทำอะไรจับกลุ่มใครอย่างไรเนี่ จะ ต, ต้องตรวจค้นดูหลักฐานแน่นอนที่สุดละนี่บัด น, นี้ไม่มีหักฐานเลยโดยแท้ติงและโจโจก็มาแต่ใช้อำมาจทุ่มพรำปล่อยให้ปไปบอกขึ้นก็ลาแล้วก็เดินเดิน ม, มาประมาณสิบ ว, นวันกคตรจด้วยเหตุนใดประการใดอย่างไรหรืรอว่เคราะกรรมจำเพราะให้เป็นไปอะ่ะลมเลย มีลมมาพัดหมวกจะบอกสุ่ น, นี่หมวกตกจะชุยสาแต่จดหมายน่ไม่ตกหรอกแต่โจโฉเห็นเข า, างนั้นเท่า น, นั้นแหละก็สงสัยทีเดียวก็เรียก บ, บอกสุดไปกลับมาให้นอีกก็ไม่เห็นจริงไ้อีกโจโฉก็ปล่อยอีกบอกสุกนตกจะให้ลาโจโฉอันหมวกใส่แล้วหมวกเดี้ยวก็ดควรควา ม, มา ก, กลัวนะ่ะ อ, อารามรีบๆจะไปให้พ้นเนี่ย กิริยาการนี่มันบอกหมดโจโจ้ยดังนั้น <ๆ S 1> ก็คิดอยู่ที่โดนบอกสู้มนมีพิรุธมีพิรุษอยู่แน่นอนถูกต้องตรงตามที่หญิงผู้รายงานมันแน่ละ่ะโจโจ้ก็เรียกกับมาคนอีกเป็นครั้งที่สและครั้งนี้แหละโจโจก็ให้คนที่มวยผมอะ่ะคือใะสยายผมดูมีอะไรซุกซ่อนมาบ้างะ ก็ไดหนังสือในมวยผมของบอกสุ้นสีโจโฉเอกสานคุณตัวบอกสุ้นวัดแล้วเอาหนังสือนี้มาชี้เขาิอออ่านดูเป็นใจความว่าข้าพเจ้าฮกอ้วนซึ่งคิดจะกําจัดโจโฉเส้นนั้นจําจะให้หนังสือไปเปลี้ยกล่อมเล่าปีกับสุ่นกลัวในโยกองทัพมาก่อนจึงจะทําการได้ตลอดนี่นังสือ ข้อความเพีงเท่านี้มันเพียงพอยิ่งกว่าพอเพียงซะอีกโจโจได้แกงไว้ัีเป็นวัฐ่านนันสคัญแล้วกโกรดนะักทีเดียวก็พาทานและบอกชุดจับนแห่เอาตัวจะบอกชุดเด็กไปจองจาไ้ก่อนและหทหารสามพันคนสงฐานไปสามพันเป็นล้อมบา้านทุวนจับทุวนและครอบครัวจะมาทั้งพวกมาจองจำมือหม รีบักถึงสิงของทั้งสิ้น ท, ทั้ทโปวงมาให้สิและทหารที่ไปจะพบรื่นเนี่ย mm. ก็เปิดคนได้ในฝีของพระมเหสีมิฟูนายหกเอาที่มีไปถึงหกวุ่นเนี่ย mm. เอาในฝีฉบับมันได้แก่โจโฉแล้วก็รายงานว่าในฝีฉบับนี้คนได้นในตึกหกวุว่นโจโฉรับมาอ่านดูแจง้งความดำในินทุกข้อยนนะ คนเม่ละก็ต้องโกรธนางฮกเฮาพระมเมสีบระเจายนเตยนี้แหละโจโจให้ทานไปจับบรรดาญาพี่น้องของนางฮกเฮามาจองจำไว้อีกทีครั้งหน่งเช้าโจโจก็สั่งให้เอกลีคุมทหาร300รถืออาวุธครบมือเข้าไปจะเอาตาสำหรับที่ตําแหนแม่สีของนางฮกเาเน่ ขณะนั้นพระเจ้าเห็นเต๋เตอเสด็จออกคุ้นางอทอดพระเตนตรเห็เอ็ลีอุ้มหลานก็มาดังนั้นก็ตรสถามว่าท่านขนนี้ด้วยเหตุใดอ่ะเอกลีก็ถูยว่ามีโงคือโจฉว่ามีโง่ให้ข้าพเจ้าเข้ามาเอาปลาสำนับที่พระเมศีขลนางพระอพระเจ้าเห็นเต๋อันก็ตกใจทีเดียว เขาทรงประดําบด้ว่าการที่คิดไว้มันมักนี้เห็นจะต้องรู้ไปถึงโจโฉและเป็นแน่จินเกิดเหตุดังนี้พระเจ้าเห็นแต่ทงประดับด้ด้นนี้ก็มีควา ม, มวิตกเป็นทุกเป็นอันมากทีเดียวทุกร้อเป็นที่ยิ่งแล้วนมามักนี้ไม่ได้กล่าประการใดเลยเอกรีก็พาฐานเข้าไปถึงที่ข้างหนแล้วก็ร้องประกาศว่า สาวใช้ผู้ใดซึ่งแบกรักษาตราสำหรับที่าานางคุดเฮานั้นจนเร่งส่งตรามาให้เราตามำคำมีโกลเด่สาวใช้ผู้มีหน้าที่สำหรับรักษาตราตำแหน่งมึนเด็กฟังก็ตกใจกลัวก็เอาตรามาส่งให้แกเอกลีเอกลีก็พาออกตรานั่นอะมามอให้แกโจโชจแค่นั้นมางคุดเฮา เห็นฐานโจโมาเรียกอเอาปําหรับบพี่ของตนไปนี้นก็ตกใจและก็คิดได้ทันทีทันใดว่าเนื้อความมันเป็นความรับผิดจนไปกับจัดโจโฉที่โฉมขึ้นมาถึงดีดานั้นบักเนี่ยโจโฉต้องรู้ความรับผินทั้งผู้ น, นี้และเป็นแม่อันชีวิตของเราเองจะตายในครั้งนี้เป็นมั่นคง น, นางฮกเฮาก็จึงเข้าไปซ่อนอยู่ในตำหนักแห่งนึงและก็สั่งให้ใส่คุณแกข้านนอก หวันที่จะเมี่ยผู้ใดเข้าไปทำอันตรายมานได้ฝ่ายโจโฉ ให้หัวหินคุมฐานห้าร้อยเข้าไปจับนาหกเอาพอบันนี้ได้หักฐามครอบุลแล้วนี่หวหินก็ไปถึงทางนายถามสาวช้ตัง า, า, างปวงว่นนาหกเฮาอยู่ไหนบรรดาหญิงทางนายเดีวกว่นี้วก็ตกใจก็บอกว่านางหกเฮาหนีไปอยู่แห่งใดก็มิรู้หัวหินก็คุหฐนเที่บคนดูทัวเทียก็ไม่พ คันแหววไปเห็นตำหนัมมกหลังหนึ่งปิดประตูอยู่ดูประหลาดนะ่ะค่อยทะเลาะอาให้ให้ทหารเนี่ยพังประตูะ เ, เข้ามาแล้วห็วหินก็เข้าไปขา้างในเห็นนางหกเฮาซ่อนอยู่ก็จับจิกมวยผมลากออมาจากตำหนัมมกเลยมีหเห็นกระทำแบบนี้นางหกเฮาเน่ยกลัวแต่ความตายนะร้องไห้อ้อนวอนว่าท่านจนเอ็ดู อย่ถึงเกะกวนตายเลยหัวหินมันจังหวะเราเป็นแต่คนใช้ครับท่านจะเป็นอ้อนวอนมือสองเดแล้วก็จิกผลนางฮกเขาเอ้อมาจะถึงข้างหน้าพระเจ้าเย็นเตเห็นดังนั้นเนี่ยก็ตกพระไทยก็เสนอตรงไปกอดนางฮกเขาไว้แล้วก็ส่งพระเป็นแสงรําไห้รําพันไปนางหกเขาก็ร้องไห้พลานถุงยา ันชีวิตก็บเจ้าครั้งนี้เอ็มจะไม่รอดแล้วพระเจ้าเห็นไปก็ตรัสทั้งนี้ทั้งนี้ก็พระเวรกรรมของเราเดีย๋ยวว่าแต่ตัวเจ้าจะถึงขีดความตายเลยชีวิตเรานี้ก็ไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดหัวหินก็ระว่าทีเดียวอ่ามุย้ยโก้เรามาเอาตัวนางองเขาออกไปเหตุใดพระมาทรบกกังเกระแสงอยู่ให้ช้าใหญ่แบบนี้ แมน่จะไม่มีอยู่กับเราผู้เป็นคนใช้เขาหรือนี่แต่รัษณะของหัวหิมหัวหินวาแล้วก่ถานละตัวนางหเหาออกไปพระเจ้าเฮียนเต้ก็ยินโฟม ร, ระกันแสงเป็นอันมากพอเห็นเอ็กลีพี่โจโฉใช้ให้มา อ, อัปตราอัปประจำตำแหน่งใาเอ๊สสีกลับก็ามาเฝ้าอยู่ดังนั้นพระเจ้าเฮนเตนก็ตัว่า เอกลีบ้านเมืองแต่ก่อนมาเกิดเหตุช่นี้เนี่ยท่านยังพบเห็นบ้างหรือนี่แต่ก่อนมาเนี่ยบ้านเมียงจะมีเหตุอย่างนี้ทัานเคยพบเห็นบ้างไหมเอกลีนั่นก็ไม่ได้ทูลประการใดพระเจ้าหยิงเตยก็ทรงประกันแสงจนสรุปปัดเอกลีเห็นดังนั้นขวอยขังที่ต้องปลุกเขาแกะไขแล้วก็เชิญเจริญเขาขัานไม้ ฝ่ายหัวหินก็พามังหกเฮามามอให้แกโจโชโจโชนั้นโกรธแค้นยิ่งนะก็จึงว่าตัวมูอุิสาคิดอ่านปราปรามเสี่ยงหนามแผ่นดินให้ราบคาทั้งแผ่นดินตัวมึงจี๋ค่อยมีความสุดแต่มึงนี้ได้รู้คุณกลับพยศคบคิดกับบิดามิ่งแกทำร้ายกู ครั้งกูจะม่งไว้มาลตามึงก็จะฆ่ากูเสียนี่โจโฉ ว, ว่าดังนี้แล้วข้ายทหารเอาตะบองทุกปีมางหกเฮาจนถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นการกระทำของโจโฉเอาแต่ว่าใครผิดใครถูกใครทำเกินเลยประการใดอย่างไรนี่คิดกันเอาแล้วโจโฉขใายทหารก็ไปจับมึอ นางฮกเฮาสองคนที่เกิดเมื่อพระเจ้หินเตะไปฆ่าเสอีกเดือนนี่ก็จ้องเรีกว่าฆ่าพระเจรสครั้งเวลากลางคืนโจโฉให้เอาตัวฮกอ้วนกับหมอกสิ้นและครอบครัวสมภัส พ, พวกของฮกอ้วนทั้งสิ้นพร้อมทั้งบรรดาญาติพี่น้องคองนางฮกเฮาทั้งสิ้นมาฆ่าเส นีนี่ได้แจ้งจำนวนว่าเท่าไรขนาดนั้นพระเจ้าหินเตามาอยู่เมืองโฮตโฮโได้19กปีเขาต้องกล่าวว่าโจโฉได้พาพระเจ้าหินเตเนี่ยมาอยู่หูตโต้ได้สิบเปีกรมกับปีพุทธศักราชเจรหบเจ็ด เจ้ายนเต้หนทรงเศ้าโศกอะไรหนให้ถึงนางฮกเฮาและพระเจ้าบุกเถอทั้งสองทุกเวลาตะกล่าวง่ายๆมดรรยาถูกเขาตัวไปฆ่าตายมดอย่างนี้จะมีโศกเศร้าเสียพระทัยอย่างไรจนในที่สุดพระเจ้าเฮียนเต้ น, นิมได้ทรงโว์เลยโจโฉก็เขไปเศ้าอย่างที่ทัางไหนแลวก็ถลมว พระองค์จะสรงพระวิตรเลยอันตัวข้าเจานี้แต่แรกก็ได้ทูลไว้ว่าจะช่วยทะนุมรุงแผ่นดินซึ่นผู้ผิดนั้นก็จำต้องให้เกิดทำโทษตามผิดและข้าพเจ้านี้มีได้คิดเป็นสองใจคิดอยู่แต่ว่าจะทะนุมรุงพระองค์ไปโดยสุจริตข้าพเจ้ามีมุดรหญิงอยู่คน เฉลียวฉลาทั้งน้ำใจดีสัตว์ซื่อข้าพเจ้าจะขอถวายแก่พระองค์โจโฉกล่าวดังนี้พระเจ้าเหียนเตได้ฟังดังนั้นขันดมิได้ก็รับคำโจโฉขณะนั้นพระเจ้าเหียนเต้ามาอยู่มืองฮุตโตได้ยี่สิบปีอันนี้หมายความาเหตุการณ์ตอนพระมะเหสีและ อยาติมงพงษาถูกฆ่าตายผ่านไปแล้ว น, ะน่ะมันปี757พุทธศักราช757รุ่งขึ้นปีพุทธศักราช758เป็นเทศกาลเดือนสามบุกจีนโจโฉก็จึงจัดแจงแต่งบุตรีแห่งตนเข้าไปถวายพระเจ้าเหตเต และก็ต่างบุกรีตนเป็นที่ขมหสีคุณนางทั้งตัวในพระเจ้าหินเตจก็กลัวโจโฉอยู่สิจึงหาได้มีผู้นายพิทุนคัดคลา น, นทัดทานแต่ประการใดไม่โจโฉก็ยิ่งมีใจกำเริบกระทำการหยาบช้าต่าง มีเป็นเหตการณ์ในเมืองท่นอยู่มาวันหนึโชโช่งโจโฉแห่หาที่ปรึกษาและอุณนาเนบวะมาปรึกษากันว่าเราบาันจะแตแกทะหารบัก น, นี้ก็เก็งแข็งมีกำลังพร้อมมุอดีอยู่แล้วหนะบักนี้เราจะยกกองทัพไปปีเมืองเสฉวนกับเมืองกกางสังทาง่ทานท่านบวงจะเห็นประการใดถ้าจะกล่าไปการก็ทำตอนนี้ของโจโฉ ต้เรียกเดีว่ารวบรวมแผ่นดินจีนทุ่งฟินให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นอยู่ในพระเจ้าเห็นเต๋องจักรพรรดินี่ต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาโจโฉแต่ปราปรามรู้เมีองทั้งสองปีงแข่งเมืออยู่เนี่ยกาเซี่ยงที่ปรึกษาเก่าผู้มีสติปัญญาดีเคยล้างฐานโจโฉมาแล้วครั้ ง, นนงหนึ่งแต่เมื่อตอนเย็มหนุ่มแต่บัดนี้พโจโฉก็เลียงกาเซี่ยงที่ปรึกษาอย่างดีอยู่เนี่ยเอาขนาดนี้กาเซี่ยงก็จินพูดขึ้นวา ขอให้หาตัวโจวญินกับแฮร์เวอตุนกลับมาปรึกษาราช ก, การแม่เห็นได้ทีแล้วท่านก็จงยกกางทับไปเถอะเออการเส้นยหอะไรคำแนะนำเช่นี้ก็ไม่ใช่ทัพทานคุณปิงอะไรแฮรียบุคคลสำงคนทั้งสอนก็มา ก, ก่อนโจญินนึ่คุณพรมร่วมแซ่แฮร์เวอร์ตุนก็คุณพรุ่นแซ่เหมือนกันโดยแซ่กาวโจวโฉคือแซ่แฮรว โจโฉสนใจที่เดียวก็จะให้ทหารรีบไปตามตัวโจหญิงกับแฮว์วอร์ตุนถึงอยู่ณเมืองเซิงหยงนะฝ่ายโจหญิงแฮวรตุนรู้ความก็รีบ ก, กลับเข้ามืองฮูโตแต่โจหญิงนี่ยเข้ามาถึเงเมืองหลวงก่อนขณะนั้นโจโฉเซตูรามเมานอนอยู่ข้างในพอโจหญิงจะเข้าไปหาโจโฉเนี่ย ขา่าวทูหานเอกถือทวนรักษาอยู่ที่คณะขณะนี้นโจยินเข้ามานี่เข่าทูนี่เป็นคนตรงนกะกะโจยินก็โจหญินแหะโจยินไม่ใช่โจโฉนี่นะเข่าวทูก็ห้ามดิบะท่านอย่าพุ่นก็ไปก่อนโจยินในฟังก็โกรธตัวเองเป็นใหญ่เป็นยิ่งนี่เป็นลูกเป็นหวานาก็จิงวะ ตัวกูเป็นลูกหลานวานเครือของหมหาอุปราชแต่ตัวมึงเป็นแค่ไม้ทหารเหตุในนะ่ะทีมาล่วงอำมาจว่ากล่าวห้ามกูชนิดเขาถูกก็ตอบว่าท่านเป็นลูกหลานวีกกงก็ดกินแต่วีกนมะให้ท่านไปรักษามเมืองสงยงอันตัวเราก็เป็นแต่ทหาร แต่ก็เป็นทหารที่รักษาตัววีโกงอยู่ในที่ข้างในนี้ส่วนท่านนั้นมาแต่ทางไกลอังกฤษเจ้าจะละหน้าที่ให้ท่านเข้าไปมันยังมิได้เออเขาทูว่าอย่าง น, นี้โจหินก็โจหินแหละฟังเหตุฟังผลจากพ่อคำเขาทูเข่าเจนีเนี่ยก็ต้องยอมถอยออกไปคอยอยู่ข้างนอก แต่ขณะที่โจหญิงข่าวทูโตเถียนกันอยู่เนี่ยโจนิงเตโชหาเดลับใหม่ถึงจะเมาก็เมาล่ะแต่เมาก็ไม่จําเป็นต้องหลับนี่โจโจไม่ได้หลับอกได้ยินข่าวูพูดจาว่ากล่าวทูกตั้งตามกำหนดตำเนียประเทียนหน้าที่ของนายฐานชั้นดีอย่างครบถ้วนเยี่ยนชนิดโจโจก็สรรเสริญข่าวทูว่ามีความสักดิ์สิ้น ท่านแฮร์วัตตุนมาถึงตอนนี้ก็โจยิ้นก็พร้อมกับแฮร์วัตตุนด้วยก็พากันก็ไปคำนักโจโชและและตอนนี้โจโชก็ตื่นแล้วโจโชก็มีความยินดีก็ปรึกษาด้วยโจยินและแฮร์วัตตุนว่าเราคิดจะยกกองทับไปตีเมืองกลางฝังกับเมืองเสฉวนท่านเจมน์บ ร, ร์การ์ดได้แฮร์วัตตุนก็จริงว่ะ กา น, นการต่างนั้นขอให้ท่านยกไว้ก่อนโดยมบบีเมืองหันตถงนั้นหันโถงเป็นเสมือนหนึ่งเมืองต้นทางของเมืองเสฉวนขอให้ท่านยกกองทัพไปตีเอเมืองันตถงใหได้เก่อนแล้วจึงยกล่วงเข้าไปตีเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายอันการข้างเมืองกัรต่างนั้นไม่ค่อยคิดกันต่อไป แหววตุ้นแนะนำอย่างนี้เอาด้านเดยวกโจโฉได้ฟังก็เห็นชอบด้วยคยกางเกนตะแ่ควานเปนอันมากแล้วก็ให้แฮววเยนเปียวขเป็นกอหนา้าโจโฉเป็นกองหลวงให้โจยินและแหววตุน้นแหวววตุ้นนี่ต้เรียกถนัดขุนพนตาเดียวให้โจยินแววตุ เป็นกองหลังคุมทะเบียนครั้นได้เกษ์ก็ยกกองทัพออกจากเมืองรูโซทุ่งกองไปสู่เมืองฮันเตเป็นอันว่าโจมิงเตโชพร้อมด้วยกองทัพอันเกนรยงกลายเข็งแข็งพร้อมมุ่ เด็กรีพาออกจากรูโตแลว้วทีนี้ข้างฝานันมาชายกองสอดแหนมตัวหน่วยฝึกระชาการรับทั้งตัวว่าดังนั้นเถ อ, อะทุกบานทุกมีอก็ต้องมีอย่างนี้อยู่ละของเมืองเตี่ยวหลเมืองฮันโถงเนี่ยมาชายรู้ความอย่างนี้โจโจยกกองกลับมาฮันโถงนี่มาชายก็รีบกลับ บอกขนี้ไปแจ้งกับเตียวร้อเปียวร้อได้แจ้งดังนั้นก็ปรึกษากับเตียวโอยว่าโจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้เราจะป้องกันประการใดดีเปียวโอยก็จรงว่าอัเมืองฮันตงของเรานี่ยก็ไปที่ขับขันอยู่ก็แต่ด่านเองเป็นขวนถ้าเสียด่านเองเป็นขวนันแล้วเมืองฮันตงก็จะเสียด้วย และนาดานเองเป็นกวนั้นก็มีเมินเขาข้างหนึง่งมีป่าข้างหนึง่งคอยแต่งหานเป็นสองกองไปตั้งค่ายมั่นไว้คอยต้านทานกองทัพโจโฉจริงจะได้ส่วนตัวท่านก็จงรักษามเมืองไว้ให้มั่นคงนี่เดียวโอรับการนี้ละคือจะเป็นแม่ทัพออกไปเองเตียวหลอกก็เห็นชอ่อมือก็ให้เดียวโอยเดียวเหียม เยวงงคุ้มฐานเป็นแม่บกกองทัพไปตั้งข่ารักษานานเอ็งเป็นกวนเอวโวยเอวเหยีเยมเยวงงคุ้มฐานโยกไปถึงนานเยวโวยก็อยู่รักษานานเียวเหยี่ยมเอวงงสองคนนี่คุมฐานออกไปทางไกลประมาณหกร้อยเซนนี่ก็ไม่ใช่น้อยน้อยละอา อมบานไปลายตั้ง2 4่5กิโลห่างจากตัวเมืองออกไปแล้วก็แยกฐานออกเป็นสองข่ายต่างข่ายรายก็นไปสองข้างฐานข้างละ500ข่ายแล้วก็ตัวปราาแกละฐานป้อง ก, กันรักษาด่านฐานข่ายไว้เป็นที่มั่นคงโดยเป็นชัยภูมิพลสำคัญที่จะส ก, กัดกั้นการสู้ัตรูได้ ที่นี้ข่านฝ่ายแฮร์รเอรเอียนเตียวครับกองทัหมาเกียวมิเตครยัยกมาใกล้